วันนี้จะเทศถึงเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดกระิดใน่ายละเอียดทีท่วนเพื่อนเืิ น, นเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปเทวยเตุเกิดขึ้นอย่างเรียกว่ากรรมของผู้คนคนนั้น <c oughs> แท่ที่จริงนั่นกรรมมันยังลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกอ <c oughs> ย่างเช่นว่าสเพชตาลทะสัมปฏิโตมัยกัดฉันตุสเปชตากรมัตสกากมัทายาธากมัทโลนิกมาพันพุกมาปฏิสระนายังกรมังกฤษสันติ กัญญานังวะป า, ากังวะตัศทายาธาพวิสันติ <c oughs> อย่างนี้เป็นตน้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดทั้งหมดกรรมหมดเรงยนเลยกรรมหมดเรื่องกัน ถึงวันนิพานเลยมันนี่มันมีกรรมอยู่นั่นแหละค่ายมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่เด็เดกรรมทั้งนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> สัพเทศตากพระธาสัมปติโตมรรคชันตุ เราจะขับเราทํากรรมอะไรไว้ถึง่อมได้รับกรรม น, นั้นทํากรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรม น, นั้นที่เราทําไม่ใช่คนอื่นทํำให้ไม่ใช่ทําให้คนอื่นเราทําเองเราได้เองอันนี้เป็นการเป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไายไปไม่ได้ กรรมทากรรมจากาักระเราทากรรมทายาทาก ร, รมันที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาิคือว่าเป็นเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกรรมเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์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 คือการกระทํานั่นเองเรียกว่ากรรมทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดออกมาต้องทําไม่ทําอยู่เฉยเฉยไม่ได้เหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทํากรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเียกว่ากรรมมาปฏิบัตินาทํากรรมดีก็เรานัเ น, นี่ยคนไอ้ทาชั่วกับเรานัเนี่ยทํา ยังกัมมังกฤษสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ครั้นเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะทำกรรมอันดใดไว้ให้เลือกเอาดีได้ชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์เราก็เว้นเสีย กรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาเร่องความสุขแล้วก็ประกอบด้วยความดีอนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างแล้วจะไปพ้ น, นจากกรรมได้อย่างไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้ว เห็นชัดเจนเรื่อต้น ว, ว่ามีใครทาให้หรอกแล้วเกิดมาต้อ ง, ง, รรองพึ่งกรรมอยู่ทั่วันนี้ก็ทําพึกกรรมคือทำดีทำชั่วแล้วก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุด ที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีกเลยกรรมเราทำทุกขนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็น โลกุตระธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยาในโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดาาใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทําองค์ที่ทางใหเฉยที่เป็นโลกิยาโลกุตระพระองค์ที่ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาด คนไม่เชื่อกำหลงในกำของตนและของคนอื่นในโลกในี้ียงรายพากันเหอเหินเหอเหิมตื่นเต้น่อพิธีต่งตางๆข่าวเล่าลือเออกเะเลิกเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่งตางๆตื่นเต้นกันไปหมดดีกว่า อ า, าอาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแหละใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาจังางหากแก้กรรมแก้เวรเนนะี่ยมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยตั้งสี่ิบห้าสิบาทขึ้นไปมันก็รวยด้วยสิ แก้กรรมได้ยันไงแล้วแก้ได้ไดยังไงลราในคนที่เจ้กาก็ตายด้วยกันทั้งหมดฉะ น, น, นั้นเจ้ากรรมอันเนี่ยจะตายเนียรูปเหรียญอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ดีวิเศษวิโสอยู่คงก็พันอยู่ยงคงก็พันต่างๆยิงไม่ออกแข้งไม่เข้าตีไม่แตแะกระเด้ต่างๆ ตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันคนซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบทถดีๆเอาไปเป็นเครื่องขบขคองคระพันไปบนไปนเส้นสวงคนไม่มีรูปไม่เต้าไม่มีรูปไม่หลานไปบนบานสักเจ้าเอาพรพุทธรูปมาแล้วอะไรท่านจะมี ถ้าจะรู้อยากเห็นอะไรกันความตื่นเป็นความนิยมนั่งถือคือไม่เชื่อกำลังเยวของนักกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้รูปได้หลานบางคนยังต้องอยู่ผมก็พันพ้นอันตรายได้เป็นบานขรั้งมเขา่าอันนั้นก็เป็นเพราะกาลังใจของขู้อ้นต่างหา เพสักจิตเพาะกำลังใจของคภูรันต่างหาเชื่อแล้วก็กำไรกำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วทัวไปขอโชคขอลาบสมัคถ้าขอได้ในคนทั้งหลายก็ไม่ต้องามาให้กินแล้วแล้วขอโชคขอลาวรวยด้วยกันมรดทุกคนนั่นแหละ พอแล้วก็ลองดูเถอั้นต้นไม่ทำจะได้จะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาบมันด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันมันเพียนเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รูปไม่รวยเป็นเท่านั้ น, หนแหละพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณ เป็นโลหะอันหนึ่งต่างหากรูปเหรียญก็เป็นโลหะอนหนึ่งต่างหากจะวปชัดชิดวิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์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 คุณท่านทําความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แ ล, นแล้วเราก็ทําความดีเมื่อเราทําความชั่วแล้วก็ลึกถึงคุณถึงอนั้นถึงรูปมันนะแล้วก็ละชั่วอันัานาน้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทําคนดีความดีตลอดเวลาเลย แต่อาจาย์ให้อยู่ของงรพันในใจอยู่ยงงพันโดยภาษาต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้เแหละอธิบายฟังมเข้าให้เข้าใจโดยในนี้ถือพอรูปพออาจารย์ตรงนี้เก่งถือรูปถึงศสิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นน่ะผู้ใดก็ถือสติ์ก็ลองคิดดูอ่ะ คนชั่วก็ถือลูกอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือลูกอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบาดเข้าห้าคันกันฆ่าฟันดันแทงด้วยประการต่างต่างอันเดียวนี้มันโลกพุ่นไว้เนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นเองดื่มยาเมาเข้าไปแล้วเราปวดอ้างหรอกลูกอาจารย์ของฉันเสี่ง คนนั้นลูกอาจารย์ของฉันจริงเลยฆ่าฟันกันคิบหายเรียกอาจารย์ต่างๆแค่ที่จริงก็อาจารย์องเดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นคนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบแตแล้วอาจารย์แทนที่จะนํามาซึ่งความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบ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 เข้าแจว อ, อยู่คงก่อผลอยู่ยงคงฟันด้วยประการต่างๆมันมันกลัวตายอตรงนั้นเครื่องอานนั้นเป็นที่พึ้นหาหอื่นที่พึ่งไม่ได้อยากโชคอ ย, อย่างราบอย่ากรวยก็อเอานั่นนแะมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องโมาเป็นโช ค, เ ป, โชคเป็นลาะ <c oughs> นี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึงไมใยตัวการอย่างนี้เลยศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่า ศาสนาปลอมแปลงไปมุดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆอาจางในพุทธศาสนานั้นมีน้อยนักน้อยนานคุณคุณพุทอคุที่เชื่อถือพุทธศาสนาแท้ๆมันมีลักษณะอย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้าไม่ยก โทษดูถูกนินทาสมาร์ตเียดยามตลอดชีวิตบางคนเชื่อพุทธเจ้าก็เชื่อการตายแหละถือพุทธเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือการตายอีกแหละขํามีล่ะเกิดปัทวาเศส้่มตายายสูดนเรยอประการต่างๆรทะคุณพระก็มาช่วย เอาอีกแหละ <c oughs> ถือพระธรรมคำสอนอพระเจ้าพระธรรมไมีตนในตัวพระธรรมทิ้นเน่นาจตกเตือนเราให้ละชั่วทําดีไม่สามารถที่จะทําความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิด เมือ่อจะทำเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั่นแหละตัวประทับทำความช่วยไม่ได้อันนั่นแหละตัวประทับ ต, ตักเตือนถ้าสงสารพวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาคําสอนนั่นแหะอันเนี่นที่ท่านรู้เห็นจริงตักเตือน นี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะาที่พึ่งจนตลอดชีวิต <c oughs> ไม่ประมาทยกโทษ ด, ดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่ เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายฟังมาแล้วนะไม่ถือมองคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรา ง, องของขังดังอธิบายหาฟังแล้วเห็นว่าตนทําอันใรตนได้อันนั้น เราทำดีก็ได้ดีทำเพี่ก็ได้ชัวจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน้นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวใเ้ละกกรรมเลวเวร อยา้เป็นกรรมไปเณน่อไปอ่ันนั้นก็ไม่ปิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวนที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำมันต่โดยความยิตมซาดิสยาโดยความโทมนัดน้อยใจทำกรรมอะไรต่งตางๆทำดึกจิตจี่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก็ จะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะค้นจากกรรมจากเลงอกัได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตยอยู่ให้อโหสิกรรมก็กได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่เศร้าไปเปรตโลกมันไม่เศราไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานแล้วตายอี ลอยชาตกันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันเอาในเมื่อเห็นก็นอยู่ดีๆนี่แหละโอ้โหจิตกรรมให้การเทีย่ยอันนั้นจะพ้นกรรมได้ถ <c oughs> ึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเทีย่ยถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเทีย่ยดีกว่าที่จะไจะสวยกรรมข้างหนา ไม่รู้แล้วว่าเป็นซากีมันเนี่ยเชื่อกรรมเชืุ่ผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคิจตะเกียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาปอกบุญบอกผู้คนแล้วให้ไป โดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อนเป็นภูมิแต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญอนั้นไม่ใช่ทำบุญในาศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสน า, ศาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธธรรมประสงค์อันนี้เราทำบุญในาศาสนาอันนี้แลหละหาขอนนับ ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาณะจริงๆอาจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลเรื่องข่าวคือเชื่อกรรมเสพผลของกรรมว่าทำดีได้ดีท่านเท่าได้จดอันนี้เป็นข้อหนึง่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนา นี่เป็นข้อหนึ่ง <c oughs> รวมเป็นห้าข้อข้อที่หกถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วคิ้นห้าไปจำตัวเป็นนิดส่สิดเลยคนเชื่อการย่อผลองการมีจังแล้วไม่กล้าทำของตัว ทความเชื่อแต่แล้วไม่ทำความเชื่อต้องสิทห้ามีอยู่ไปจําตัวเป็นนิดแต่อันนั้นจะเรียกว่าโตดาบาันบุคคลโน่นเลยขึ้นถึงอาเรียบภูมิคนเราคนในเมืองไทยของเราทฤษฎีศาสนาไม่จิต <c oughs> <c oughs> ซื้อศาสนาหน่อยเกิดอดุบัติเหตุอะไรเกิดที่บัติขึ้นมาได้ประการต่างๆศาสานาไม่ช่วยโลนไปลนละวคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมียบผลต้องกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิ ถ้าเทวทัตลูกจิตพลิ้งก้ อ, อนหินตั้งไว้ในบนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท้าหัวไม่เท่าพราะองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาถ้าเจ้าชาติศัตรูก็ถูกก็น่าจะบุตรยึดน่าจะสมบัติ เรียกว่าขบุดพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาน์าของพระเจ้าจริงๆพรถูกพระราุตร์ขบุ <c oughs> คือยึดสมบัติของพระองค์ได้แกิวิถุทพะพระราชบรได้ชีวิถุทพะพ่ <c oughs> อไม่ช่วยไงได้ <c oughs> นอกจากนั้นอีก ในตระกูลเขาโง่ศาสตร์ประชาลคุณกบิถพัฒน์มิจิินท่าไปจาเป็นนิดยอมสรารสิทธิธุตภาไปลบลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่รูปกระสุนยิงกันยิงได้ปืนไดนะ้ห่ะเได้ปืนผาหนามไม้น่ะแต่ไม่ยอมใส่รูปกระสุน ในยคนที่สุดทิศุทธะขยิวเรียบมเดน่าจยอมสนะชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อทิศุทธะจะไปลบทีแรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยเลยประอาจรไดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางทิธุทธะเห็น ก็เข้าไปกราบถูิลถามสาขาต่งองไอ้พระจีดุลตะกฤษกลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นเลยกรรมของศาสตร์ญาชาดเขาเคยทํามาอย่างนั้นจะต้องชิบภายอย่างนั้นพของก็ไม่ไปอันนั้นจะทำเนายกไว้อัตโมกขันลาแล้วสานี่ เจรไปทุบอาจนกระดูกแหลกเป็นจุดนี้จุดนมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกระทุงเข้าสารท่านก่าบไว้างั้นเบื้องต้นตอนเขาจะฟองเสาจีไปทุบอะไรทุบขหมกันลานัพวกโจรเขาไปฟองลายท่านอยู่ถึง สี่เดือนดวงไปแล้วเ <c oughs> ข้ามาแล้วได้แต่ขอไปมไีทิฐาตาจารย์หลวงพ่นงขนะมามาครังไหนขอหนีมาคา้างไหนขหอหนีเอ๊มหลายครั้งหลายหัวหนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังคอยรู้เรื่องหมดรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีต่อยมันทุบเฉจนแหลกแล้วหมด แต่ด้วยอำนาจฝ่าธรรมทาด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติดประสานกันแล้วก็เหาไปกราบทูลลาไปจาก น, นิพพานอาไรเอ่างคนพวกเราสมัยเรนนี้ยังไปถื อ, มองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โห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 อย่างเขาหลังเขามาเกิดเหตุต่างๆเกิดปัทวาอัปพวงมดเกิดทว่าอุปทวเหตุต่างๆเข้ามากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากนักการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การแจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วแล้วไม่ใช่ แต่เราคนเดียวพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันควกเขาสาวกก็เป็นอย่างเดียวกับพวกเขาใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานะเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตัวนตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมนี่ยต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมไย่ต้องติดตาม เมื่อมีเศษจะเทมันก็ต้องทดสามเพราะกรรมใช้กรรมอยู่แล้วยังไงกต่ไม่ค้นจากเนื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเนื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นเน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะค้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละ ขันใจมายึดมือถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเด่นอยู่ขันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางแคแล้วนั่นเลยเน่ยพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันเนี่ยเขากระเทือนถึงใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทํามันนี่จริงหรอก ตัวกรรมมันทำเหตุกรรมในจริงแต่ไปถึงใจกระเทือนถึงใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรไม่พ อ, อพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโ น, โ น, โ น, โนโ่เน่ยไปเกิดขึ้นที่ใจมั่งตัวกายไม่มีกิเลสจะเป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือ ปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะจะทุกจติตใจจนแหลกแล้วเมื่อก็ะช่างมอนอย่างพระหมอกลาเป็นตน้นไม่ถึงไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนิจุนหมดแต่ใจไม่ตาย ท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเอะมากราบไหวกราบพูนกุฏิจอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนะั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดก็เพราะใจ จะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสีกายนี่ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องบทเราวกันเอาละอธิบายทัานเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการคนจจกทุกข์คือต้องการดับ กรรมนั่นเองคือต้องการพอจะทุกข์ก็คือต้องดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้าเนี่ยนะโลงใหญ่มันดังตึกตึ๊กึกึอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วมดต้องกันดับไปดับหลอดเ ล, ล็กหลอดน้อยมันกระ ด, ดับเฉพาะนะสิ แต่ไฟมันยังเดินอยู่ทีขันดับต้นต่อคแล้วมันดับปุบมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดไหตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตถ้าจะดับทุกคนนั้น ย่าอธิบายฟังมาแล้วขันเมื่อกรรมไม่ไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั้นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้น ถ้ามีมใจแท้แล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตัวไม่มีใจนั่นแหละกรมมันก็ดับหมดไม่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดดีมันก็ไม่ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้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 ไม่ใช่ตัวตาไม่ใช่เชลล์ตัวนั้นมันมีอะไรนะมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ส่ายมันตัวนั้นคือตัวใจตัวใจแทนะ้แต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปอีกสามเรื่องตามราวแบนะั้น ฮัตต์ตัวนั้นจับนั่นให้ได้ได้ก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจต่างหามันไม่คิดมันตัวจิดอั่นแหละสมาควบคุมจิตั่นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นแหละมันคิดอะไรมันส่งสายไปทําไมมันจูงมันแต่งอะไรจะให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมัน อย่ไปรู้ตามมาันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นไงรู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามให้รู้ตามมันมดันเราไปตามโคนตามหลังมันตามค้นมันไปไม่ไทันเรกเงี้ยตามรอยงัูลอยควายนี่ตามลอยสัตว์เองให้รู้เท่ามันรู้เท่าทั้งหน้าขางหลังหมดรู้ตัวเลย ให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นอะจะรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะุงจะแต่งกับรู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุใ้เกิดบ่อกิเลสต่างๆมานนั้นไม่จะหมด มันยังจะหมดกามหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะสิ้นทุกข์ <c oughs> อยากสิ้นทุกข์แต่ทําไม่ถึงที่ไม่ถึงทางสิ้นทุกข์สักทีมันเราเกิดขึ้นมามันโอ้ยหลายภพหลายชาตินับภพบนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากค้นทุกข์แต่ไม่ทําให้พ้นทุกข์สักที เราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายฟังในช่วงครู่คณะเรียดีอยู่ถ้าทำมันจะนี้จำนานมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาจะเสียเกิดขึ้นการลมหาใจก็ดีเหมือนกันหยุดหายไปพักนึงก็จะเห็นตัวใจของเรา อ๋อใจมันมีโกรธหรอกม่ความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นแหะหัดบ่อยๆให้มันได้ไบ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรก่อนนาเอาใ ห, ให้กาหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนีน่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อน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 เป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นนรกมันคลื่นเป็นนรกแล้วมันก่อบุญแกบไหนมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นงวนขึ้นมาแล้วก็แตกฟุบไปเป็นคลื่นกับน้ามยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ามาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ามาเป็นก้อน แล้วก็แตกไปฉะะลาดไปตามแบบนะั้นแต่เขาเรียกว่าก้อนวันขึ้นว่าอะไรว่าฟองว่าอะไรต่งตางๆมันเกิดอย่างไรมันแต่น้ำมันเลยเขาเขาเริ่มเรียกเรียกต่างๆกันไปอีกใจก็คือ น, น้ำอาการที่เป็นขึ้นเป็นฟองฝ อ, อยเรื่อยหรือว่าเป็น นอโอะไรต่างๆคือจิตนั้นมันอันเดียวกันเลยนะแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างท่านจึงเรียกถ้านไม่แตกไต่างท่านไม่เรียกหรอกท่า น, นี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากเรียนรู้จิตไห้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยๆอะไรต่าง นั่นแหะตัวจให้มันเป็นคลื่นเป็นนนอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่ตางมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจ่ายเห็นง่ายและคะนีพูดง่ายนคันะคะนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วก็ปล่อยวางเรื่องแล้นะไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วาง มันเป็นเรื่องเกิ ด, เกดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ําม็นตางเลยแล้วจะไม่ไปยึดออกแล้วก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามไต่หรือหาก็ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉย อ, อยู่แลวก่อ นี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเอืดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชนํชนาน่ชํานาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดี ได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขมามันได้คู่หนึ่งก็หน้าหนึ่งก็เที่ยวความสุขน้อยจป็นคู่เป็นณะนานการทาใย่างบ่อยๆครานี้หาดได้แล้ค่ะนี้เรียกาหาจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่ง ไม่ใช่วุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาตะกบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนจํำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมูนะ่ขณะอยู่ในที่ไหนก็อยู่ได้เร า, าหัดตรงนี้หัดเพื่อความอยู่รอดของเรา เพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดลอดไทยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งรือตลอดเวลาหาความสงบถุขไม่ได้อนชีวิตแบบนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความทุกข์ความสวายอยู่ตรงนั้นแหละ ม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานและถึงนิพพานานั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความทุกข์แล้วก็เลีล่ยงชีวิตมันลําบากเยอะเกินทุกข์ยางเยอะเกินเหนียวเกินมาในโลกตอนนี้เราควาทุกข์แข็งควาทุกข์เท่านั้นเราพอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนจอ้างคือ ตามตงตามเลย